ที่พระเจ้าสอนมันมีสองอันมีธรรมะกับวินัยพระธรรมวินัยยังพระก็ต้องเรียนโยมก็ต้องเรียนถ้าเป็นชาวพุทธเราไม่ได้เรียนธรรมะเลยนะก็ไม่ใช่ชาวพุทธออเป็นแต่ชื่อตัวจริงไม่เป็นพวกเรามาเรียนธรรมะนะั้นดีแล้วเราทําหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธก็คือต้องศึกษาธรรมะก่อนเมื่อรู้เมื่อเข้าใจแล้วก็ไปบอกต่อ ตอนนี้คนบางคนก็ไม่ใช่ศึกษาเท่าไหร่นะไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาเลยก็บางคนศึกษานิดหน่อยก็ไปบอกต่อโดยนี้ก็อันตรายเหมือนกันเรียนได้นิดนิ ด, นดหน่อยๆนะ่อยบางทีจำหลวงพ่อไปพูดเหมือนกันเปรียบเลยไปบอกต่อพวกเราก็ น, นึกว่าดีนะบางคนตามไปเรียนกับเขาซะอีกลเลอะเทอะกลับมาอย่างวัดหลวงพ่อนะพระ หลวงพ่อวัดนี้มันเหมือนวัดบ้านหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์วัดป่านะแต่ว่าที่นี่มถูกเซตมาเพื่อรองรับญาติโยมเลยไม่ได้เป็นวัดป่าเลยประกาศเราเป็นวัดบ้านถ้าบอกเป็นวัดป่าเดี๋ยววัดป่าแท้ๆเขากลุ้มใจหลวงพ่อก็ไม่ใช่พระทุโดงพระกรรมฐานเป็นพระกรรมฐานเฉยๆไม่ได้ออกทุโดง นี่ลูกศิษย์บางองค์มาบวชก็อย่างนี้ใส่เป็นชาวบ้านอยู่เลยฝากอาจารย์นู้สอนไปองค์หนึ่งเมื่อวานฝากไปเรียนข้อวัดแม้ระบบของพระมีระบบอย่างนี้ด้วยนะฝากนักเรียนข้ามข้มวัดกันแต่ครูบาอาจารย์ต้องเป็นคนฝากนะ้ําไม่ใช่ทะเลทะธลาบไปเองอยู่ทะเลทะธลาบไปเองไปหาครูบาอาจารย์แล้วก็โดนท่านเช่งกลับมา ที่ทำเนียมพระก็จะช่วยกันช่วยเหลือกันวัดนี้เก่งด้านนี้วันนี้เก่งด้านนี้อย่างนี้หนึ่งท่านอนุศน์มาเรียนธรรมะที่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อฝากพระของหลวงพ่อไปเรียนวินัยกับท่านแล้วท่านจะเก่งกว่าหลวงพ่อแม่นกว่าให้เรียนข้อพัดของพระพวกเราก็ต้องเรียนนะต้องเรียนเป็นฆรวาสก็มีธรรมะวินัยเหมือนกันธรรมะก็ต้องเรียน ธรรมะที่คารวะเรียนกับธรรมะที่พระเรียนก็เหมือนกันแหละแต่คารวะต้องเรียนธรรมะมากกว่าพระอีกคือธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ก็ต้องเรียนเหมือนพระธรรมะที่จะดำรงชีวิตอยู่กับโลกก็ต้องเรียนอีกอันนี้พระไม่ต้องเรียนนั้นชาวบ้านคารวะต้องเรียนธรรมะเยอะกว่าพระอีเรียนทั้งภาคที่จะอยู่กับโลกเรียกโลกียธรรม เรียนจงกระทั่งถึงโลกุตรธรรมทำยังไงจะพ้นโลกต้องเรียนส่วนพระก็จะเรียนวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่โลกุตรธรรมไม่ได้เรียนที่จะอยู่กับโลกธรรมะอยู่กับโลกก็มีนะไม่ใช่ไม่มีอย่างการปฏิบัติกับพ่อกับแม่อะไรเงนพ่อแม่ปฏิบัติกับลูกยังไงพระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นเพราะฉ้นท่านทาประโยชน์เพื่อคนจานวนมาก คนไหนสมควรแก่ธา ร, รมะไงท่านก็สอนอย่างนั้นบางคนก็ต้องเรียนธรรมาอย่างโลกโลกเพื่อจะได้อยู่กับโลกอย่างมีความสุขนั้นทําไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจํานวนมากอย่างพระได้ไปเรียนธรรมะโลกโลกนี่ก็ยุ่งแต่พระก็มีนะธรรมะแบบข้อวัดปฏิบัติต่ตางๆแบบโลกโลกไม่ใช่ทางคนโลกก็มียกตัวอย่างเช่นอุปชามีหน้าที่ ต่ลูกศิษย์ยังไงลูกศิษย์มีหน้าที่ต่ออุปชาอย่างไรนี่ม er no, ีเหมือนกันท่านเรียกว่าข้อวัดเป็นข้อวัดปฏิบัติต่างๆพระวินัยของพระบางส่วนนี่นะคารวะรับมาใช้คนไทยรับมาใช้อย่างเสขียวัดคนไทยรับมาใช้ความจริงในศีนสองร้ี่สมันมีเสขียวัตรอยู่75หข้อใช่ไหมของฝ่ายวิชาการ 75ห้าข้อเป็นเรื่องระเบียบแบบแผนต่างๆการวางตัวเนะช่นเคี้ยวอาหารนะไม่เคียวดังจับจับจับัเราก็เป็นอย่างเป็นเราก็ถือศีลอย่างเนี้ยนะไม่สดน้าแกงดังซุดซุดอะไรเงี้ยนะนี่วินัยมีเยอะนะกินแล้วก็ไม่ได้ทำข้าวหกเลือนกลาดลยอะไรเงี้ยนะไม่ใช่พูดไปลอยหน้ า, าลยอยตาอะไรงี้ยนะทำไม่ได้คนะารวะก็มีวินวินัยอย่างนี้เอามาใช้ มจริงพระว่านมีศีลหลายสิบข้อเหมือนกันมีเยอะศึกษาข้านะศึกษาทั้งธรรมะที่จะอยู่กับโลกเพราะเรายังอยู่กับโลกนั้งธรรมะที่จะข้ามโลกธรรมะข้ามโลกของหลวงพ่อก็สอนทุกวีทุกวันธรรมะอยู่กับโลกก็ไปหาเอาเองง่ายจาตายไปแต่ทำยากเช่นพ่อแม่มีหน้าที่ต่อลูกยังไงนะลูกมีหน้าที่ต่อพ่อแม่ยังไง สามีกับภรรยามีหน้าที่ต่อกันยังไงมีหมดเลยนะสอนไว้เยอะแยะเพื่อนกับเพื่อนควรจะทํายังไงต่อกันผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชาจะทํำยังไงพระพุทธเจ้าสอนทั้งนั้นนะหรือสอนการประพฤติตัวนะไม่ให้คบคนชั่วนะให้คบคนดีๆครบบัณฑิตนะชีวิตจะได้ดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่ให้ยุ่งกับอบายมุกนะเป็นทางเสื่อม ก็ราอย่าดูถูกนะธรรมะพวกนี้ถ้าเราทอดทิ้งเราก็จะเดือดร้อนแลเช่นติดอบายามุขขึ้นมาก็เดือดร้อนแนละอบายามุขว่าทางไปอบายทางไปสู่ความเสื่อมเช่นกินเหล้าเมายาดูหนังฟังเพลงไม่รู้จักเลิกไม่เสียเวลาทำมาหากินเล่นการพ น, นันคบคนชั่วเป็นมิตรฉีเกียรติทำงานนะสารพัดพวกนี้นําความเสื่อมมาให้ชีวิตน เป็นคลาวาสดีๆไม่ไหวบางคนเร็วไหลชีวิตล้มเหลวแล้วจะมาบวชเอานี้ส่เร็วๆอย่างนั้นมาอยู่ในวงการพระพระก็เร็วตามไปด้วยก็กลายเป็นพระเร็วๆให้เราต้องเรียนนะเรียนค่อยๆศึกษาไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมีประโยชน์ทางนั้นแหละถ้าใครทำได้นั้นก็ชีวิตมีความสุขก็ท่านสอนเราเพื่อให้มีความสุขาบอกให้ทาประโยชน์สุขแต่ามาหาชนจานวนมาก แล้วก็ตั้งใจเรียนสิ่งที่หลวงพ่อถ่ายทอดให้หลวงพ่อสอนธรรมะในภาคปฏิบัติเนี่ยสอนแบบตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเรียกว่าย่อยให้เรียบร้อยแล้วอยู่ที่เอาไปทําเอาไปดูของเราเองให้สมควรแก่ธรรมะเราก็จะได้ธรรมะไม่ยากเหมือนสมัยที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์แต่ก่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านไม่บอกอะไรง่ายๆนะท่านสอนด้วยการทําให้ดู ท่านไม่ใช่สอนด้วยการพูดให้ฟังว่าจะได้ธรรมะของท่านแต่ละข้อนะสังเกตท่านไปเรื่อยๆนะอย่างท่านคุยกับญาติโยมท่านก็รู้สึกตัวทำอะไรท่านก็รู้สึกตัวไปเรื่อยๆมีสติยืนเดินนั่งนอนจะเดินจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะดูท่านมีสติไปหมดเลยไม่เห็นว่าท่านลืมเนื้อลืมตัวตรงไหนเนี่ยเราจะอยู่กับท่านเลยจะค่อยๆเห็น ในสุดเราก็จะค่อยๆรู้สึกตัวเพราะเวลาเราขาดสตินะท่านจะมองหน้าท่านไม่ว่านะบางทีท่านมองมองเราก็ผวาเราไม่รู้มองเรื่องอะไรเนี่ยมีพระองค์หนึงง่งหลวงพูดุลส่งไปอยู่กับอาจารย์มหาบัวเนี่ยส่งข้ามสำนักอย่างเนี้ยมีไปอยู่กับอาจารย์มหาบัวมีวันหนึ่งนั่งกันอยู่ในศาลาตอนบ่ายๆอยู่ๆอาจารย์รมหาบัวทําน้างี้ ทำหน้าอย่างเงี้ยนะมองหน้าเฮ้ยบุ้ยป่าไปหลังวัดให้ไปทางหลังวัดแลวันนี้ก็งงๆท่านจะใช้ทำอะไรเอาละท่านสั่งให้ไปทางนี้ก็ลุยไปเลยนะลุยลุยแหวกต้นไม้ไปเลยเพราะท่านชี้เป็นเส้นตรงเนี่ยท่านไม่ได้บอกให้อ้อมถนนนี้แล้วเลี้ยวถนน น, นี้อย่างหลวงพ่อบุ้ยป่าไปทางเนี้ยโอ้ฝ่าเนี่ยงต้นไม้ต้องมุดมุดมุดไปนะไปจนถึงท้ายวัดนะ ี่เจอลูกขนุนเพิ่งตกลงมาเลยต้องเก็บไปให้แม่ครัวครนะูบาอาจารย์ไม่พูดมากนะแล้วมาถามมากแล้วก็โดนเลนะบางองคนะ์กลัวงูกลัวงูเห็นงูแล้วจะช็อกตายนะตอ ง, งูเห่ามานะอาจร์มาหาบัวสั่งจับให้จับด้วยมือเปล่านะกลัวอาจารย์มหาบัวมากกว่ากลัวงู จับเริงๆนะเดี๋ยวหลังๆเลยเป็นนักจับงูองนี้จับงูเก่งอีกองหนึ่งกลัวตุ๊กแกเห็นไหมพระก็กลัวเหมือนเราเหมือนกันนะบางคนกลัวตุ๊กแกตุ๊กแกอยู่ที่ประตูกุฏิเข้ากุฏิไม่ได้แนละ้วท่านสัง่งเข้าไปกระโดดตุ๊บเลยไม่กล้าเดินนะออกมาเ <c oughs> นี่ยโดดเข้าโดดออกนี่นะวันหลังเลยเลิกกลัวตุ๊กแกนี่ครูบาอาจารย์นะโอ้ยสอนเข้าใจยากบางท ว่าจะเข้าใจที่ท่านสอนนนานอย่างหลวงปู่ ด, ดูนสอนหลวงพ่อนะแต่ละคำแต่ละคานะโอ้ยภาวนากันนานอย่างเริ่มต้นไปหาท่านทีแรกท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองให้ไปทำเอาให้ไปอ่านจิตตนเองอ่านยังไงไม่เคยบอกเลยจิตเป็นยังไงก็ไม่เคยรู้เลยนะบอกให้ไปอ่านจิตตนเองจิตอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้ จะเอาอะไรไปอ่านก็ไม่รู้ไม่รู้สักอย่างเลยนะเพราะท่านสั่งก็ต้องทาสิไม่มานั่งถามท่านนะผมจะอ่านยังไงจิตมันอยู่ตรงไหนนะอ่านมาแล้วจะเป็นยังไงพวกเราชอบถามล่วงหน้าสอนให้ทาภาวนาปัจจุบันนี้ชอบถามไปล่วงหน้านู้นตอนบนรรลุมรรคผลจะเป็นไงโอ้ยไปบรรลุก่อนแล้วค่อยมาถามนะเสียเวลาพูดมากไปคิดมากไปนะพยายามรู้สึกรู้สึกไป เนี่ยท่านบอกให้ดูจิตตัวเองกลับมาก็มาพยายามดูนะไปดูของอื่นที่ไม่ใช่จิตส่งจิตไปดูตลอดเลยไม่ใช่เคยดูจิตเลยไม่รู้หรอกว่าส่งจิตไปดูสามเดือนนะไปหาท่านใหม่หลวงปู่ผมดูจิตเป็นละมันมายังไงเห็นหมดเลยท่านบอกไปหลงอาการของจิตแล้วยังไม่ได้ดูจิตเลยไปดูใหม่ประโยคต่อมาคือไปดูใหม่ดูยังไงก็ไม่บอกนะไม่เคยบอกสักคำหนึ่งนะ เรามาดูให้ทําไมท่านว่าเราไปหลงอาการโอ้เราส่งจิตไปดูนี่วะเราไม่ได้ดูจิตอย่างหลวงพ่อสอนพวกเราได้ชอบส่งจิตไปดูไม่ได้ดูจิตนะทั้งพระทาั้งโยมเป็นเยอะดูจิตจริงๆนั้นก็เห็นในจิตมันก็เกิดแล้วมันก็ดับไปเป็นผู้รู้บ้างเป็นผู้หลงบ้างนะรู้ทันมันขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ถูกปรุงแตง่งเดี๋ยวมันก็ปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาเดี๋ยวกิเลสก็ามาปรุงแต่งมันขึ้นมานนกลับไปกลับมาหมุนเวียนนะ ปงกันไปปรุงกันมาอยู่งั้นเรียนไปเรียนไปก็รู้ทันเออมันทํางานของมันเองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าเข้าใจเรื่องดูจิตดูใจเห็นมามันก็ต้องอดทนนะกว่าจะเข้าใจบางอย่างท่านสอนแนะล้วหลวงพ่อใช้เวลาทั้งยี่สิกว่าปีกว่าจะเข้าใจคือมันเกินสถานะที่คารวะจะทำบางคาสอนบางข้อท่านสอนครั้งสุดท้ายไปหาท่าน 36หวันก่อนท่านจะมรณาภาพเข้าไปกราบท่านท่านก็เทศเทศให้ฟังตั้งแต่บ่ายๆจนค่ำเลยนะทุ่มสองทุ่มเลยเนะี่ยท่านหอบเลยหอบแหกแห ก, แหกนะเราสงสารท่านมากเลยบอกหลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยมากแล้วผมจะกลับนละจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้ยังกลับไม่ได้นะจาไว้นะจำไว้วผููููููููู้ใหู้ทําลายผูู้รูู้พบจิตใหู้ทําลายจิตจึงู้งููููููููููููููููููููููููููููู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ เข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจำไหมเข้าใจได้ก็ประหลาดแนละ้วถ้าท่านถามถามว่าเข้าใจไหมคืนแต่ว่าเข้าใจก็กลายเป็นไอ้โง่เท่านั้นมันเข้าใจไม่ได้หรอกทำสอนอย่างนั้นบอกไม่เข้าใจครับแต่จะไปปฏิบัติจะจำไว้เอาไปปฏิบัติท่านบอกเออจำไว้นะไปไปได้ละ กลาบท่านนะออกมาจากท่านนะโอ้ใจนะอะไรอววรท่านนะหันไปดูเรื่อยๆเดินมาไม่กี่ก้าวหันไปมองท่านอีกทีนไม่เคยเป็นนะแต่ก่อนเวลาไปหาครูบาอาจารย์เวลาลาลาเวลาเลยต่างคนต่างแยกยาก้ายไม่หันไปมองเลยนะเคารพรักครูบาอาจารย์ยังไงก็ไม่มีนะเวียนเวียนดูไม่มีโอ้คราวนั้นใจมันอะไรอววร น, นะไม่นานท่านก็มรณภาพไปนั่นเป็นการเห็นท่านครั้งสุดท้ายนะท่านสอนะในปีสองหกนะ นี่โดยสถานะของคราวาสเนี่ยมันทําไม่ไหวภาวะตัวเนี้ยให้ทํำลายจิตทําลายผู้รู้ทํำลายไม่ได้พวกเราบางคนได้ยินทําลายผู้รู้นะไปทําลายสติแทนนะเพี้ยนไปเลยนะบ้าไปเลยทําลายผู้รู้เออเออเอย่างเงี้ยนะพวกทําลายผู้รู้นั้นทำลายสติต่งางหากนะเนี่ยกว่าจะเข้าใจนะใช้เวลานาน วันลงขึ้นนะออกแขวงหลวงปู่ดูลมาแล้วไปหาหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็ถามหลวงพ่อไงนักปฏิบัติไปรอบนี้หลวงปู่สอนอะไรหลวงปู่สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงหลวงพ่อพุธก็เล่าบอกหลวงปู่ดูลก็สอนท่านอย่างนี้ท่านไปหาหลวงปู่ดูลเมื่อเจ็ดวันก่อนก่อนหลวงพ่อเจ็ดวัน หลวงพ่อโ ด, ดนสอนท่านบอกเจ้าคุณการปฏิบัติจะยากอะไรเพราะผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเมื่อหลวงพ่อพุทธท่านขยายความให้หลวงพ่อนิดนึงท่านกลัวเราจะไปทํำลายแบบระเบิดเปลี่ยงเปลี่ยงปลางปลั่งนั่นเดี๋ยวเพ่งให้มันระเบิดนะกรื่บ้าไปเลยท่านก็บอกหลวงพ่อมาประโยคหนึ่งนะเป็นคีย์ของการปฏิบัติตรงเนี้ยท่านบอกการทําลายผู้รู้หรือการทําลายจิตก็คือการไม่ยึดถือมันนั่นเอง ไม่ใช่ไปทําลายมันนะแต่ท่านบอกว่าการไม่ทําลายผู้รู้ก็คือการไม่ยึดถือมันท่านบอกต่อนะคุณกับอาตมามาทํากติกาตกลงกันไว้ใครทําลายได้ก่อนให้มาบอกกันนะทอานว่าอ่างั้นวันหลังหลวงพ่อก็ไปทวงสัญญาท่านนะก่อนจะออกบวชไม่นานตะนนั้นท่านใกล้จะมรณภาพแนละ้วท่านเป็นมะเร็งท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์แล้วพอท่านเทศจบก็เข้าไปกราบท่าน หลวงพ่อทำงานอยู่วงการโทรศัพท์ไปกลาบท่านบอกหลวงพ่อไม่พบหลวงพ่อนานแล้วท่าบอกท่านจําได้หลวงพ่อจําได้อาตมาจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกคนฟังเทศเยอะนะแต่นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกครูบาอาจารย์พูดสัมเนวนเดียวกันเลยหลวงปู่เทศก็แบบเดียวกันกคนภาวนาทั้งวัดเลยนะบอกไม่ได้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติจริงๆหรือผู้เจริญสติ ถ้าขาสตินะไม่มีสติตัวจริงอย่ามาเรียกตัวเองเป็นนักปฏิบัติเลยเรียกว่านักปรุงแต่งมากกว่าถ้ามีสติจริงมันจะเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานเราไม่ได้ปรุงแต่งกายมันปรุงแต่งจิตมันปรุงแต่งเราไม่ปรุงแต่งเราเป็นคนดูบอกท่านบอกหลวงพ่อผมยังทำลายผู้รู้ไม่ได้โอ้สภาวะท่านนะเปลี่ยนต่อหน้าต่อตาเราเลยนะท่านห้าวหาญมากเลยท่านบอกว่า จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่ในลูกในฟองไข่เนี่ยเมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่แล้วมันจะเจาะทำลายเปลือกออกมาเองเนี่ท่านพูดห้าวหาันเราก็เลยรู้อ๋อถ้าสติสมาธิปัญญาแก่รอบเนี่ยนะมันจะทำลายผู้รู้ออกไปเองเราไม่ต้องทำลายนะบางคนพยายามทำลายผู้รู้เพี้ยนไปเลยนี่ท่านให้ขี่ไว้ตัวหนึ่งตัวที่สองฮะตัวแรกก็คือบอกว่า ทำลายมันคือไม่ยึดถือมันตัวที่สองก็คือถ้าลูกไก่มันโตเต็มที่แล้วลูกไก่จะเจาะเปลือกออกมาเองเนี่ยท่านสอนอย่างนี้เสร็จแล้วก็มาบวชนะมาให้ลูกไก่มันโตมันโตแค่ไหนไม่รู้เรารู้แต่หลวงพ่อมันโตขึ้นทุกวันฉะนั้นครูบาอาจารย์นะสอนไม่มากทํากันนานเป็นสิบสิบปีเลยนฝะึกกัน แต่ถ้าบวชมันก็คงเร็ววันนั้นนะแต่เบื้องต้นขั้นต้นๆเนี่ยคาวรวะ ท, ทําได้ไม่แพ้พระธรรมมาขั้นต้น้นเนี่ยคารว่า ท, ทําได้ไม่ช้ากว่าพระหรอกก็ค า, าววามีภัสสะรุนแรงกระทกระทั่งรุนแรงเพียงแต่ว่าพอรุนแรงแล้วเลยพังาพาดไปสั ก, ก่อนไม่ทันดูเช่นแต่ละวันนะทํางานมากคิดมากเหนื่อยมากตกข้ามนอนไปละรู้สึกไม่มีแรงปฏิบัตินอนดีกว่า หรือบางคนก็อึดมากเลยนะหมดเรี่ยวหมดแรงก็พยายามจะปฏิบัติถูรูถูกล ก, ถกลางมันไม่ได้ผลมันไม่มีแรงก็ต้องดูก่อนว่าเรามีแรงตอนไหนตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะปฏิบัติกลางคืนนะสับเวลาซะมาปฏิบัติตอนตื่นนอนเลยยังมีแรงอยู่เนี่ยแบ่งเวลาของเราแล้วก็ดูตัวเราเองว่าตอนไหนสติเกิดบ่อยแล้วก็ภาวนาตอนนั้นแหละอย่างหลวงพ่อสมัยก่อนเป็นข้าราชการ จิตของหลวงพ่อนะจากับพรีก่กระเปล่าในการปฏิบัติตอนสี่โมงเย็นพราะอะไรเพราะจะเลิกงานแล้วดีใจจะเลิกงานแล้วเริ่มมีแรงมาดูแล้วมีความสุขเขามีความสุขว่าจะเลิกงานแล้วนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูได้นี่พวกเราก็ดูเอานะเวลาที่เหมาะของเราแต่ละคนแต่ละคนมันเวลาตอนไหนของหลวงพ่อเนี่ยจะภาวนาได้ดนะีทุกครั้งทุกครั้งที่ผ่านมาจะเป็นเวลาบ่าย บ่ายเย็นแล้สบายใจแล้วไม่มีภาระอะไรแล้วเราก็เลือกดูคนภาวนากลางคืนไม่ไหวก็มาภาวนาเช้ามืดแท น, นหรือกลางวันก็มีเวลาก็ภาวนาหลวงพ่อกลางวันก็ภาวนานกลางวันกินข้าวเสร็จแล้วถ้าวันไหนเหนื่อยมากๆนะก็ไปอ่านพระไตรปิฎกถ้าวันไหนยังมีเรื่องมีแรงนะก็หลบไปอยู่ตามวัดใกล้ๆที่ทางานนะไปนั่งสมาธิไปเดินชมกลมไปภาวนา ในเวลาเล็กเวลาน้อยเราเก็บของเราไปได้มันก็ก้าวหน้าได้ไม่ยากหรอกนะไม่ยากแต่ต้องเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวก็ไม่ใช่เด็ดเดี่ยวเหมือนวัวเหมือนควายนะชนลูกเดียวเลยนั้นโง่ต้องเด็ดเดี่ยวด้วยสติด้วยปัญญาค่อยๆสังเกตไปว่าทํายังไงแล้วสติเกิดบ่อยค่อยๆสังเกตไปทํายังไงแล้วใจตั้งมั่นทํายังไงใจไม่ตั้งมั่นค่อยๆสังเกตไปแล้วอะไรที่เกื้อกูลให้เกิดสติเกิดปัญญาก็าเอาอ น, นั้นแหละ ค่อยๆฝึกตัวเองทุกวันทุกวันสังเกตตัวเองทุกวันทุกวันไปนภาวนาเป็นฆราวาสไม่จําเป็นต้องช้ากว่าพระนะขั้นต้นๆเ น, น, นี้ยหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นฆราวาสเนี่ยงานหนักนะต่นนั้นอยู่สภาความมั่นคงไม่เหมือนองค์การโทรศัพท์องค์การโทรศัพท์งานเบากว่าเยอะเลยหนักเป็นช่วงๆตอนอยู่สภาความมั่นคงนะงานเครียดงานหนัก ตอนั้นทั้งๆ ท, ที่งานหนักนะเราก็ดูของเราได้ใจมันเครียดขึ้นมาเราก็ดูเนะ่ยเป็นไงเราก็ค่อยดูของเราได้ ไ, ดไม่ได้ช้าภานาอยู่ไม่กี่เดือนหรอกเพหาครูบาอา จ, จารย์ท่านก็บอกวพึ่งตัวเองได้แล้วหลวงปู่ดูลย์ทนบอกพึ่งตัวเองได้ล้วไม่ต้องมาหาท่านก็ได้นะเราก็ไปนะท่านบอกไม่ต้องมาหาท่านก็ได้เนี่ยท่านไม่ได้แปลว่าไม่ต้องมาหาอาตมาอีก อย่าเซอรนะบางคนท่านหมายถึงว่าพึ่งตัวเองได้ล้วช่วยตัวเองได้แ ะ, ะ้วแล้วเราภาวนานะภาวนาพักเพียรเข้าคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนให้เนี่ยหลวงพ่อกล้ายืนยันยเลยว่าไม่มีที่ไหนเขาสอนให้หรอกนะวันนี้คนที่มาเรียนเกี่ยวับหลวงพ่อตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นหมื่นล ะ, นะคนที่ตื่นขึ้นมามีเป็นหมื่นคนละ คนที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะแล้วรู้กายรู้ใจเรื่อยไปนะั้นวันหนึ่งจะเป็นพระโสดาบันทำต่อไปได้สกทาคานาคาใครบางคนก็อาจจะจบในชีวิตนี้ก็ได้มีแต่ว่าตื่นขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาให้เป็นนะแล้วก็รู้กายรู้ใจไปนี่บางคนมาภาวนานะพอตื่นขึ้นมาแล้วแหมอยากเรียนต่ออยากถามหลวงพ่อก็ไม่มีโอกาสถามจริงไม่ต้องถามหรอกฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ดูของเราไปเรื่อยมันจเจริญไปเองแหละ เราจะถามหลวงพ่อไม่ได้นะเที่ยวว่อนว่นไปถามคนนั้นคนนี้นะไอคนที่ตอบมามันก็ไม่ได้รู้จริงเท่าไหร่หรอกบางทีบางคนนะที่มาตั้งตัวสอนสอนนะสู้พวกเราตอนนี้ไม่ได้นะหลวงพ่อจะบอกให้พวกเราที่มาเรียนที่นี่อยู่สม่ําเสมอนะใจมันตื่นขึ้นมารู้กายเป็นรู้ใจเป็นนะโดยหลักเราก็แม่นอยู่นะ้บางคนไปตั้งตัวเปนะ็นอาจารย์นะเรียนได้นิดๆหน่อยๆจำๆไปอนะ่ะเวนอย่าเที่ยวเชื่อคนง่ายนะ คนที่หลวงพ่อยอมให้ช่วยสอนมีหมอนัดจย์สุรวัตรนะมีแม่ชีมีครูบาอันนี้มีหนุยด อ, อร์หนุ่ยคนหนึ่งครูบาจารย์ที่สอนดูจิต ด, ดูใจได้ดีจริงๆอีกท่านหนึ่งก็อยู่คนละฟากทะเลกันแต่ท่านบอกว่าท่านไม่อยากสอนโยมนะโยมท่านจะสอนพระเรี่ยงอย่าไปยุ่งกับท่าน ช่วยกันจําไหมนะว่าหลวงพ่อพูดประโยคนี้นะก็ท่านถามเรื่องได้เรื่องอย่าไปยุ่งกับท่านนะให้ท่านสอนพระขอท่านตามปณิธานเพราะพระอ่อนแอลงไปเยอะแล้ว<_ <k> _>ส่วนโยมนะแข็งปึกเลยนะตอนนี้ยจําหลักให้แม่นๆแล้วไม่พลาดหรอก<_ <k> _>พวกที่พลาดนะแทนที่จะรู้กายรู้ใจก็าไปรู้อย่างอื่นพวกเราหัดดูกายดูใจใช่ไหมแทนที่จะรู้กายรู้ใจนั้นไปรู้ความว่าง ไปรู้ความไม่มีอะไรนั่นมันไม่ใช่กายกระใจแล้วไปรู้อย่างอื่นแล้วให้มีสติอัตโนมัติก็เป็นสติบังคับสติควบคุมสติกําหนดเรียนสอ น, นเละเทะออกไปอย่างนั้นให้มีใจที่ตั้งมั่นก็มีใจที่ไปเพ่งกันโ น, น้นเพ่งกันนี้เรนสอน อ, อกนอกรูนอกทางกันมันเพี้ยนหมดทุกตัวเลยนะสติก็เพี้ยนสมาสมารมาที่ก็เพี้ยนปัญญาก็เพี้ยนอะไรอะไรมันพลอยเพี้ยนไปหมดเลยเพราะหลักมันไม่แม่น Terror, ถ้าจับหลักให้แม hmm. ่นนั้นจะรู้เลยอะไรทำให้สติเกิดทีละสัญญาการที่จิตจำสภาวะได้แม่นทำให้สติเกิดอะไรทาให้สมาธิเกิดความสุขเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดถ้าเป็นความสุขที่มีสติรู้กายรู้ใจมีความสุขขึ้นมาจะเกิดสมาธิตั้งมั่นในการรู้กายรู้ใจถ้ามีความสุขในการเล่นไพ่ก็มีสมาธิในการเล่นไพ่เพราะนั้นต้องมีความสุขเพราะว่ารู้กายรู้ใจเห็นมา มีสติรู้กายอย่างที่เขาเป็นมีสติรู้ใจอย่างที่เขาเป็นใชนะใจก็มีความสุขขึ้นมาช่วยแผ่วขึ้นมาใจมันตั้งมั่นของมันเองนะอะไรทําให้เกิดปัญญาเนะี่ยสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาใช่นะหไหมมันสืบทอดกันมาเป็นช่วงช่วงเป็นสายโซ่เลยธรรมะของพระพุทธเจ้านะเต็มไปด้วยเหตุกับผลลิงก์กันไปเรื่อยๆนะเช่นอะไรมีอยู่นะ สังขารจึงมีอยู่เนี่ยเพราะเอาพิชามีอยู่สังขารจึงมีอยู่อะไรมีอยู่สังขารจึงมีอยู่เน่ยเพราะวิญญาณมีอยู่สังขารจึงมีอยู่เรื่อไล่ไล่ไลไล่ไปนะเพราะสังขารมีอยู่วิญญาณจึงมีอยู่นลิงก์กันไปหมดนะธรรมะแต่ละอันแต่ละอันธรรมะของท่านแต่ละหมวดแต่ละหมวดนะมันไม่ได้อยู่โดดๆถ้าศึกษาให้ดีอย่างอิทิบาทสี่ฉันทาวิริยาจิตตาวิมังสาเนี่ย ถ้ามีชันทะก็จะมีวิริยะถ้ามีวิริยะจะมีจิตตะถ้ามีจิตตะจะมีวิมังสาจะสัมพันธ์กันอย่างนี้ตลอดเลยนั่นธรรมะท่านไม่ใช่อยู่โดดๆนะธรรมะของท่านเรียงร้อยไปหมดเลยเวลาที่อริยมารเกิดนะธรรมะทั้งหมดเนี่รวมพลังลงมาทั้งหมดเลยรวมเข้าที่เดียวกันเลยรวมอยในจุดเดียวกันเลยในขณะเดียวกันรวมลงที่จิตในขณะเดียวกันเลยเปนะ็นเกิดพลังที่มหาศาลขุดลากถอนขนกิเลสได้ ค, ค่อยเรียนนะให้เรียนไปถ้าอยากถามหลวงพ่อแล้วไม่มีโอกาสถามแนะนําให้ฟังซีดีนะไม่แนะนําให้วิ่งไปเข้ากรรมฐ า, านที่ไหนเข้าเปรยๆกลับมาเนี่ยโอ้บางคนสาหัสกลับมาเหมือนนกปีกหักมาไอ้นกปีกดีๆมาหัดบินอย่างเยอะแยะไปหมดแล้วต้องมาเลี้ยงนกปีกหักอีกลําบากนะางั้นสงสัยก็ไปฟังซีดีมีทุกคําตอบแหละ เ, เชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์ ่าขยับขยื่นเคลื่อนไหวนะรู้สึกตัวนะทั้งพระทั้งโยมอย่าเดินแบบลืมเนื้อลืมตัวทำอะไรลืมเนื้อลืมตัว